ขอความจเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รองประคลทยานในวันนี้คงเป็นการตอบปัญหาของครูสปจจังหวัดคนครราชสีมาอีกเช่นเคยครูถามว่านระบนการของพระพุทธศาสนาปัจจุบันนี้จะมีข่าออกมาในทางเสื่อมเสียอยู่เสมอเราทราบว่าความเสื่อมเสียนั้นมาจากสาเหตุอะไร และผู้รับผิดชอบอาฐานแก้ไขและป้องกันย่อะไรบ้างคือเรื่องของคนนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะคนก็คือสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่มีพฤติกรรมส่วนใหญ่ก็ใช่อารมณ์ใช้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องมีระบบการฝึกปืออบรมกันทุกลำดับขั้นตอนของชีวิต แต่ในช่วงที่กำลังฝึปปกปลูอองกรมกันอยู่นั้นก็ได้บ้างไม่ได้บ้างดีบ้างไม่ดีบ้าง ไ, ไดง้มากได้น้อยยิ่งยิ่งยอนดอนกันเนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะในการฝึกในอย่างนี้แหละในสมัยไหนๆก็มีลักษณะอย่างนั้นเพียงแต่ว่ายุคสมัยปัจจุบันมันมีสื่อสาร มันมีวิทยุมันมีโทรทัศน์มันมีหนังสือพิมพ์ข่าวอาจจะลงหนังสือพิมพ์เอาไปอ่านออกวิทยุเอาไปอ่านออกโทรทัศน์หรือข่าวอาจจะมาจากโทรทัศน์แล้วขยายลงหนังสือพิมพ์ออกทางวิทยุแล้มีคนแสดงความเห็นหรือภาควิจารณ์กันเรื่องก็จายออกไปใกล้ๆจะเป็นเรื่องเยอะนะแต่ยิงเรื่องเรื่องเดียวเปลี่ยนแต่ว่าพูดกันมากไป การแก้ไขก็คงจะแก้ไขกันเป็นปกติธรรมดาคือเราต้องมองในแง่ของความเป็นจริงนะฮะว่าครูสปจสป อ, อเนี่ยอย่ในปัจจุบันก็เรียกว่าเกือบจะทั้งหมดเนี่ยก็นักปริญญาตรีขึ้นไปแต่ว่าพระภิกษุสามเณรมีน้อยที่ได้ปริญญาตรีก็มีการฝึก ป, ปรืออบรมกันราาสัสศิ ทีเดียวทั้ง227ข้อในขณะที่ครูรักษาศีล5ข้อเนี่ยยังมีปัญหาเราจะให้คนนรักษาศีลทั้ง227ข้อไม่มีปัญหามันก็เป็นเรื่องที่แปลกพิสดารไปคือคนเราถ้ามองกันตามความเป็นจริงเนี่ยปัญหาเนี่ยมันมีตลอ ด, ดในโลกมนุษย์เนี่ยตราบใดที่มนุษย์ยังมีกิเลสเนี่ย จากนั้นปัญหามันมีอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าเราจะพยายามทำความเข้าใจให้อภัยอดทนรอคอยกันได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรต่นนั้นเองการแก้ไขก็คงแก้ไขกันไปแต่ไม่ใช่ว่าแก้ไขแล้วจะหมดปัญหามันหมดไปในกรณีนั้นมันก็เกิดกรณีอื่นขึ้นมาแต่เราไม่ยอมรับความจริงเราก็มองกระ้ายกับเป็นเรื่องเดือร้ายรุนแรงแต่ถ้าเรามองความจริงมันเออมันก็ปกติธรรมดา เหมือนปัญหาเรื่องเด็กเป็นปัญหาปกติธรรมดาเด็กยุคใดสมัยใดก็มีปัญหาของเขาแล้วพอเขาโตขึ้นค่อยค่อยปัญหาค่อยหายไปหายไปหายไปเด็กรุ่นใหม่ก็เกิดต่อขึ้นมาปัญหาเด็กก็คือปัญหาปัญหาผู้ใหญ่ก็คือปัญหาปัญหาคู่ครองก็คือปัญหาปัญหารัฐบาลปัญหาระดับประเทศปัญหาระดับผู้นามันก็มีปัญหาทั้งนั้น มันไม่ไม่มีที่ใดที่คนมีกิเลสแล้วจะไม่มีปัญหาตอนเราต้องยอมรับความจริงว่าผู้รับผิดชอบนั้นมีทั้งระบบทั้งป้องกันทั้งแก้ไขทั้งบำรุงทั้งรักษาจ้าคนมันเป็นระบบการเลื่อนไหลกันมาแล้วก็มีคนใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ คนสมมติว่คนเก่าจะหมดปัญหาคนใหม่ก็มีปัญหาแต่คนเก่าเองก็ยังมีปัญหาอยู่นั่นคือความจริงที่เราต้องทําใจให้ยอมรับกรมการาศาสนามีโครงการอะไรบ้างที่จะให้พระพุทธศาสาศนาอยู่ผู้กระชาไทยตลอดไปกรมการาศาสนานั้นเป็นผู้สนองงานคณะสงฆ์กําหนดเป็นนโยบายเองอะไรไม่ได้หรอกคณะสงฆ์ก็ต้องกําหนดออกมาเป็นนโยบายเป็นแผนเป็นนโยบาย โครงการศาสนามีห น, น้าที่เสนองานสนองงานประสานงานสนับสนุนงานแต่จริงโครงการในแนวนี้มีอยู่เยอะโครงการธรรมทูตโครงการธรรมจาริกโครงการคูประหยติธรรมโครงการข้าวไข่พุทธบุตรโครงการฝึกอบรมสวดธํานองสารปัญญและแอะไรต่างๆนี่สารพันจะทําทกันแต่อย่าลืมเรื่องคนมันเดืนไหลมาตลอด พูดเรื่องเดียวกันเนี่ยพูดเรื่องเดียวเนี่ยพูดกันตลอดชีวิตมันก็พูดเรื่องเดียวแต่คนมันเปลี่ยนเรื่องมันไม่เปลี่ยนเจอเรื่องสีนหน้าเนี่ยเราก็พูดเี่เรื่องเดียวแต่คนคนมันเปลี่ยนไปเป็นคนชุดหนึ่งก็พูดเรื่องสีนหน้ากันอีกนี่คกอเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราต้องยอมรับความจริง ว่ากรมการศาสนาก็มีกรอบงานขอขายงานอย่างไรเขก็ทำแล้วทำกันตามเต็มเม็ดเต็มหน่วยแหละแต่ว่าอย่าลืมว่าเป็นกลมเล็กๆที่มีงบประมาณไม่มากวันนึงงบประมาณไม่มากเนี่ยการทํางานอะไรก็ทําได้ยากแต่แตและเรื่องเนี่ยมันต้องมีงบประมาณเป็นตัวสนับสนุนทั้งนั้นงานฝึกประลูกดวงแต่ละคราวเนี่ย สมมติว่าเราอบรมสักสี่วันอย่างที่วัดว่าผูกแก้วเนี่ยอบรมสี่วันห้าคืนอะเงยห้าห้าวัน4ีคืนห้าวัน4ีคืนต้องใช้จ่ายในหัวหนึ่งประหยัดสุดๆแล้วนะร้อยห้าสิบาทคนตั้งสามสี่ร้อยเงินก็ไม่ใช่ธรรมดาก็ว่ากันไปเป็นหมื่นๆ มันก็ต้องหาคือกว่าจะทําอะไรได้ในนักลาวเนี่ยต้องต้องทำกันเด่นศาสนาอื่นเขาก็มีอย่างงั้นแต่บทบาทของศาสนาทั้งหลายเนี่ยที่จริงเขาก็ทํางานกันอยู่ในฐานะของศาสนาต่อศาสนิกเนี่ยก็ทํากันแต่ว่าให้ทํากันแพร่หลายไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันถูกจํากัดด้วยเงื่อนไขต่างๆไปกันมาก ถามเหตุใดพระสงฆ์ที่มีสมศักดิ์บางรูปที่บวชมานานๆานจะเป็นที่เคารพศรัทธาของคนเป็นจำนวนมากทำไมจึงกลับมีความประพฤติที่แสดงออกถึงความมีกิเลสตนามากขึ้นเพื่จะแก้ไขอย่างไรควรจะนำพระสงฆ์เหล่านั้นมาเข้าโครงการอบรมพัฒนาจิตเช่นนี้บ้างคือว่าอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ไดแสดงว่ากิเลสต้องลดลงเสมอไป คือโดยสูตรเนี่ยอายุเพุ่มขึ้นกิเลสลดลงเนี่ยคือสูตรที่ถูกต้องแต่ว่ามันก็มีผิดสูตรอยู่อายุเพิ่มขึ้นกิเลสเพิ่มขึ้ น, น, น, นมันก็มกีเป็นปกติธรรมดาแล้วยศเนี่ยมันมีความเป็นดาบสองคมเมื่อได้ยศแล้วเกิด ค, ความสำนึกสำเนียกที่จะทำอะไรไปตามยศซึ่งได้รับการแต่งตั้งมันก็เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้นั้นแต่เป็นประโยชน์แก่ศาสนา แต่ท้าได้ยศแล้วไปเมายศไปนึกว่าตัวเองสําคัญตัวเองยิ่งใหญ่ดตัวเองจะต้องเป็นที่เคารพยกย่องของบุคคลทั้งหลายนั่นก็เป็นความเสื่อมของท่านผู้นั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนในลักษณะอย่างเนี้ยเช่นพระเทวทัตอย่างเนี้ยอยู่เรื่องยุคสมัยกับพระพุทธเจ้าแท้ๆแต่ว่าท่านก็ เ, าเมาในอํานาจเมาในยศเมาในบริวาร ราสนาความยิ่งใหญ่จนก็กวนเรื่องในพระพุทธศาสนาจะปวนไปนี่เป็นเรื่องที่มันก็แก้ไขกันยากอนาคตนะนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมีน้อยนะเพราะว่าพระโดยปกติแล้วพรรษาท่านสูงขึ้นเนี่ยกิเลสตังก็ต้องลดลงเป็นผู้ใหญ่มีเมตตากรุณามี ความมือเผื่อเผื่อแผ่มีน้ำใจเสียสละสงเคราะห์นูเคราะหแก่อนุชนแต่ท่านก็ทำว่าท่านเงี ย, ยบๆแบบของพระไม่ได้ทำกระตุกกระตาหรือเป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้งหลายต้องโฆษณาต้องประชาสัมพันธ์นอะไรทั้งนองนันพีเจ้าเข้าส่งเป็นจริงหรือไม่ไอ้นี่มันพูดยากะนะ คือถ้าไม่จริงทั้งร้อยมันก็สืบต่อกันมาไม่ได้ครับแต่ว่าจริงทั้งร้อยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันมีความเป็นไสยศาสตร์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะพิสูจน์ว่าเป็นไปได้จริงหรือไม่เนี่ยมันต้องพิสูจน์เป็นหลายๆไปแต่ปัญหาว่าเขาจะให้เราพิสูจน์หรือเปล่าท่านั้นเองเพาตามปกติแล้วลูกช้างเขาจะไม่จะยอมไม่ค่อยยอมไม่ไปพิสูจน์ของเขาก็าไม่ต้องไปติดใจสนใจอะไรก็หรอก คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันรู้ไปมันก็ทอานั้นเองไม่ได้ช่วยเสริมสร้างสติปัญญาอะไรเราขึ้นมาคือแต่เราไม่แน่ใจเราอย่ไปยุ่งเกี่ยวกับหมดเรื่องเราก็ยุ่งเกี่ยวกับอะไรหมดไม่ทุกอย่างไว้ไม่ได้นะเราก็เลือกว่าพิปฏิบัติเราที่แน่ใจว่าจริงดีมีประโยชน์แล้วก็ปฏิบัติอะไรไม่จริงไม่ดีไม่มีประโยชน์ก็ เฉยๆเสียหรือไม่แน่ใจในตัวประโยชน์ก็เฉยๆเสียเมาก็สบายดีกว่าวัดพระธรรมกายสอนธรรมะอะไรที่ถือว่าผิดจากหลักของพระพุทธศาสนาและการสอนผิดนี้มีความผิดอย่างไรทั้งด้านประธรรมและประวินหนยและกฎหมายคือไม่เคยศึกษารายละเอียดอะไรเท่าที่ควร น, นนะครับ ก็เคยเห็นหนังสือก็เล่มโตๆแต่ว่ายังไม่เคยได้อ่านเป็นกิจลักษณะก็เคยอ่านหนังสือเรื่องพระแท้มาทีหนึ่งแต่ว่าอ่านเปิดดูผ่านๆ น, น, นะนะเห็นว่าปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ก็คือว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วไปอยู่ที่อญญายตานิพพานเปนั่งอยู่เฉยๆที่อญญายตา น, านิพพานแล้วก็คนที่เข้าถึงธรรมกายได้ไปอยู่ที่อญญายตา น, านิพพานก็ถือว่านิพพานแล้ว นิพพานในพระพุทธศาสนานั้นไม่มีการเกิดไม่มีชาติไม่มีภพเพราะว่าดับกิเลสกับกรรมมันเป็นเหตุแห่งชาติภพได้แต่นิพพานขอธรรมกายก็มีชาติมีภพก็แสดงว่ามันไม่ใช่แนวเทราวาณแต่ก็ไม่ใช่ถึงกับผิดแผกออกไปจากพระพุทธศาสนานโดยสิ้นเชิงนะครเพราะว่ามันไปนตรงกับลัทธิตรีกายของมหายานหมายความว่าธรรมกายในมหายานมันก็มี แต่ว่าอธิบายก็ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะฮะก็เป็นประเด็นที่มันผิดในแง่เขามารมวินัยในผิดในแง่ของพระธรรม น, นะฮรแล้วอาจจะเสี่ยงต่อการผิดพระวินัยเด่นในกรณีของการอาจจะเป็นการพูด่ อ, อไปและเป็นอวดอุตริมนุษย์จะทำไปแต่กฎหมายมันก็ไม่ผิดนะกฎหมายไม่ได้บัญยายนิยามในเรื่องอย่างนั้นเอาไว้ เพราะว่าเป็นการสอนจากสิ่งที่ตนเองรู้ตเนเองเข้าใจแล้วก็ยึดติดกันมาถ่ายทอดตั้งรันมาตั้งแต่อาจารย์สดเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็บ่อนภาพไปตั้งนานแล้วอาจารย์สดนี่ั้งั้งหมดก็รวมแปดสิบปีเก้าสิบปีแล้วมั้งนานแล้วต่อไปถามว่าพระหันในปัจจุบันนี้มีหรือไม่ถ้ามีมีกี่รูปรูปใดบ้าง ไอ้มีนะ่ะคงมีแหละมีกี่รูปไม่มีใครรู้แล้วก็รู้ใดบ้างก็เลยเพราะไม่รู้เหมือนกันคือการเป็นทหารเนี่ยมันดูที่จิตใจของท่านซึ่งหมดกิเลสแต่ว่าท่านก็ครองชีวิตแบบสามัญชนเนี่ยแหละเขาเรียกว่าจิตท่านเข้าถึงโลกุตระแต่ว่าใช้จิตที่เป็นกายมาวจรคือพูดจาปราศัยกับชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละ ไม่ได้ไปเรื่องที่บิจิตพิสดารอะไรเพราะฉั้นเราจะไปรู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยเราต้องเป็นพระหันด้วยแล้วก็เราก็คนที่จะรู้ว่าเป็นพระหันเนี่ยคือท่านเองพระหันด้วยกันแล้วก็พระพุทธเจ้าถ้าไม่งั้นก็ไม่มีใครรู้เราสมัยพุทธกาลก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นพระหรันพระตั้งกับปกติธรมรมดาเนี่ย เนื่องจากต้องติดต่อสื่อสารกรับชาวบ้านโดยทั่วไปนี่สามเณรเดินผ่านเดินตามหลังประมา ก, ก็จะปะไปประมาณจะปะท่านเป็นพระอรหันต์สามเณรก็เรียนถามมาได้เท้าที่ว่าพระอรหันต์พระหันนี่เป็นยังไงแกไม่เคยเห็นในพระอรหันต์ประมาณจะปะบอกว่าไม่แน่รองเลนบางทีเราเดินตามหลังท่านไปเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ เพระฉะนโดยยึดหลักการสาคัญที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้เนี่ว่าศาสตร์ตรียารมร๊มีองแปดประการยังมีอยู่การศึกษาการเรียบัดชอบตาเมรีมร๊ะเมืองแปดประการยังมีอยู่ศาสร์นั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลทั้งสี่ประเภทคือปะโสตะบันสกิตาคาราคาลานเราก็เชื่อในหลักการตรงนี้แล้วก็ไม่ได้แปลกอะไร ใครมีอำนาจสั่งให้พระอาบัติปาราชิกแต่ถ้าปาราชิกจริงใครจะเป็นผู้ลงโทษไม่ต้องมีใครสั่งปาราชิกมันก็ปาราชิกเองเหมือนกับเราจับไฟเนี่ยเราจับแล้วเราก็ร้อนเองไม่มีใครต้องบอกให้เราร้อนเราจับน้ำแข็งเราก็เย็นเองเรากินเกลือเราก็เค็มเองเรากินน้าตาลเราก็หวานเองไม่มีใครต้องบอกให้เค็มไม่หวานให้เย็นให้ร้อนคือคือ ละเมื่อปับตามบทบัญญัติเนี่ยมันเป็นประหาดชื่อปุ๊บทันทีเลยและนอกจากนั้นท่านก็ไม่ใช่พระโดยชอบโดยปริ น, นัยแม้จะแต่งตัวเป็นพระ อ, อยู่ครองชีวิตแบบเป็นพระยังไงก็ตามท่านก็ไม่เป็นพระโดยชอบโดยปริณายเพราท่านก็ลงโทษตัวท่านเองโดยการศึกไปเสียถ้าให้ศึกสมรู้เข้าสมรจา ก, การให้ศึกออกไป แต่ปรสงค์นี่สงต้องรู้่นะไม่รู้ไปจับสึกก็ได้ยังไงก็ต่อไปถามว่าที่ดินจํานวนนับพันพันไร่เป็นของวัดหรือของเจ้าบาทวัดพระธรรมกายถ้าเป็นของเจ้าวัท่านตั้งโรงงานทําธุรกิจได้อย่างสบายถ้าสืบออกไปเข้าใจว่าคงเป็นของวัดนั่นแหละคงจะเป็น เป็นของวัดธรรมดาแต่ว่าคนถวายก็ปรารถนาถวายในานามเจ้าวาดหรือว่าในานามวัดแต่ว่าอย่าลืมมาเจ้าวาดเนี่ยก็เป็นผู้ทํางานแทนวัดวัดนั่นก็เป็นนิติบุคคลเจ้าวาดเป็นผู้ทําการแทนวัดธรรมมาค้าขายนั้นก็แน่นอนแหละก็จะสืบต่อไปมันก็ธรรมมาค้าขายได้ทำอะไรก็ได้ก็มีความรู้ในเรื่องนี้อยู่ แต่ว่าที่ดินนั่นไม่เคยรู้หรอกไม่เคยไปอ่านเอกสารเขาแต่เข้าใจว่าคงจะเป็นคมบัติของวัดนั่นแหละทีนี้บางครั้งบางคราวในในแนวคนความคิดปัจจุบันเนี่ยว่าจะถวายเป็นการส่วนตัวกับเจ้าวาดเพื่อสะดวกในการทำงานต่างๆเช่นสามารถขายได้สามารถจำนำจำนองได้เป็นต้นเนี่ย ว่าเป็นสมบัติส่วนตัวแต่ว่าผลประโยชน์ต่างๆออกมาทํากั บ, บวัดมาให้แก้วัดแต่รายละเอียดไม่รู้นะครับรายละเอียดไม่รู้ไม่เคยศึกษาไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าที่ควรก็ต่อไปโอ้ทำไมเรื่องประธรรมกายเยอะจังถามว่าท่านเจ้าเจ้าวาดวาดัดประธรรมกายมีเงินกี่ล้านมีที่ดินกีน่ไร่การือดรองทรัพย์สินเช่นนี้ถือว่าผิดวินัยสงฆ์หรือไม่หลืถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวหรือของวัด ไอ้นี่มันเป็นข่าวหนังสือพิมพ์มา น, นะข่าวหนังสือพิมพ์มันก็หายไปแล้วเพวา ะ, ะเราจะรู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยต่อเมื่อสารก็ตัดสินนอกมาก่อนให้สารตัดสินออกมาก่อนคือการพูดในเรื่องที่เราไม่รู้แล้วก็พูดในเรื่องความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยก็ไม่ควรจะพูดมันขาดเมตตาจิตเหมืนอนก็ไปโจทย์เพื่อนเราไม่รู้อะไรเลย แต่เราก็พยายามไปพูดคือมันก็เสียอย่างหนึ่งนะฮะสังคมไทยเนี่ยมันชอบซ้ําเติมเวลาคนอื่นประสบความเดือดร้อนประสบความทุกข์ประสบปัญหานี่เราก็ซ้ําเติมเขาจึงว่าทางทดีๆมันน่าจะมองกันด้วยความสร้างสรรค์พอสมควรคือส่วนไม่ดีก็ไม่ดีไปส่วนดีก็ดีไปนะฮะส่วนที่เราไม่รู้ก็คือส่วนที่เราไม่รู้อย่าไปพูดว่าเรารู้ส่วนที่เรารู้ก็พูดเท่าที่เรารู้ อย่าพูดในส่วนที่เราไม่รู้เข้าไปด้วยแล้วอะไรมันก็จะดีขึ้นนะ อ, อถามว่าการีวัตรธรรมกายมีแนวโน้มว่าจะตั้งเป็นนิกายใหม่ได้หรือไม่ถ้าเขาตั้งเนี่ยเขาก็ตั้งได้นะเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้โดยเฉพาะในมาตราที่สามดับ มีการเปิดโอกาสให้สิทธิเสมอภาคในการนับถือาศาสนาและติยมทางาศาสนานิกายาศาสนาตลอดถึงการปฏิบัติตามความชื่อถือาศาสนาบัญญัติอะไรต่ออะไรต่ตางๆอีกเป็น ม, มากเนี่ยกรอบบางคนข้างกว้างแต่ว่าถ้าไม่มีรแรงก็คงจะไม่ไปนั่นหรอกคงไม่แยกหรอกเพราะว่าการแยกออกไปนนิกายเนี่ยมันเป็นความอ่อนแอขึ้นในภายในคณะสงฆ์นะคร คือควรจะอยู่ร่วมกันด้วยความสมานสามัคคีกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลงานพระาศาสนาต่อกันไม่ใช่ว่าใครติรดังและไปะแยกวงนังแล้วก็แยกวงดังแยกวงอย่างนี้าศาสนาก็พังก็อยู่ไม่ได้มันต้องช่วยกันในหลายฝ่ายก็ต่อไปถามว่าถ้าเจ้าวาดวาดัวดประธรรมกายมีความผิดแต่ไม่ยอมลาสิกขา คณะสงฆ์และบ้านเมืองจะดำเนินการอย่างไรบ้างคือหมายความว่ามีการกล่าวหาว่าท่านทำผิดแต่ท่านยินยันว่าท่านไม่ผิดมาต้องต่อสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมก็อตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของอยู่ในชั้นศาลเพราะเราก็ยังว่าท่านผิดไม่ได้ประสานยังไม่ตัดสินต้องให้ศาลตัดสินครบทั้งสามศาลจะก่อนแล้วศาลสรงเองก็ยังยังไม่ได้ว่าอะไร เพียงแต่ว่ามีการกล่าวหาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เขาให้ออกจากเจ้าวาดไปแล้วเนี่ยตอนนี้ท่านก็ไม่ได้เป็นเจ้าวาดแนละ้วต่อไปถามว่าขอให้ิเครอบปัญหาวัตรธรรมกายทั้งในแง่คำสอนการจัดกิจกรรมต่างๆการบริหารจัดการวัดปาฏิหาริย์ะรอื่นๆอย่างไรถือว่าผิดอย่างไรถือว่าสิ่งที่ดี อย่างไรควรปรุงแก้ไขคือการจะไปวิเคราะห์นี่มันต้องชัดเจนนะเราต้องพบต้องเห็นต้องเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นแต่และเรื่องมาเองคือนั่งรถโฉบ้าไปใกล้วัตธกรรมการทีหนึ่งเท่านั้นเองเพราะนันเรื่องทั้งหมดนี่ไม่ไ ม, ไม่มีความเบอาโรยแต่หนังสือของเขาก็ไม่เคยอ่านจบเลยแม้แต่เล่มเดียว ว่าการที่เราไม่รู้แล้วไปวิพากษ์วิจารณ์ตามข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยหรือหนังสือพิมพ์เขาก็เข้าใจเท่าที่เขาเข้าใจนะฮะแต่เข้าใจไดะลึกซึ้งขนาดไหนนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เพียงแต่ทราบว่าเป็นกิจกรรมร่วมสมัยที่มันเหมาะสมกับคนยุคสมัยปัจจุบันมาครัมาคนไปพบไปเห็นเขาแล้วก็พอใจติดใจเขาวมกิจกรรมกันมาก ซึ่งมันอาจจะแตกต่างกันเฉพาะรูปแบบแต่ไม่แตกต่างเชิงเนื้อหาก็ได้รูปแบบนั้งเขาคิดขึ้นใหม่เพื่อสอดคล้องกับคนนยุคสมัยปัจจุบันคือยังนึกนะฮะว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยอาการมานั่งประเพียบนั่งขัดสมาธินี่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นการนั่งเก้าอี้นั่งห้อยเท้าเพราะว่าคนรุ่นใหม่มันนั่งไม่ค่อยได้กันไปเรื่อยๆ ทีนี้ถ้าถ้าเราไปไปยึดถือตรงนี้ก็ไม่ใช่ตัวเนื้อหาสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่านั่งนั่งกะยงปนมมือเราก็ไม่รู้ว่านั่งกระยงมันคือนั่งยังไงนั่งงอเข่าเอาเขายันที่พื้นสองข้างหรือว่านั่งอแบบกันอาจารย์ครูนั่งเราก็ไม่แน่ใจว่านั่งกะยงมันคือนั่งยังไงก็เป็นจารีตที่ทํากันในเมืองไทยกันนั่นเอง ต้องฟังทั้งหลายแต่รวมพุทธยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญอด ง, งามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี